แนะนำขั้นตอนการทำบุญแก้บันเทากรรมซึ่งผมได้รับคำแนะนำจากผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งนะครับก็คือพี่หญิงที่ผมได้ไปเจอมาที่บางลำพูนะครับซึ่งตอนนี้พี่เขาอยู่อเมริกาจะกลับมาประเทศไทยแค่ไม่ ก, กี่วันก็เป็นโชคดีที่ได้เจอกันแล้วก็หลังจากที่พี่หญิงเขาแนะนำผมให้ทำบุญตามอย่างนี้ทั้งหมด2เดือนเขาเล่าหมดเลยว่าผมชาติก่อนเป็นใครชื่ออะไรทาอะไรไว้ แล้วก็ทําบุญส่งให้กับเจ้ากรรมในเวรโดยตรงหลังจากที่ผมทําตามที่เขาบอกสองเดือนเชื่อไหมครับคือไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อพอครบสองเดือนวันนั้นอีกวันหนึ่งชีวิตผมเปลี่ยนทันทีผมมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วดีขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดับด้วยการที่เจอกับตัวเองและศึกษามาพอสมควรปฏิบัติมาพอสมควรเจอสิ่งลึกๆมาพอสมควรก็เลยเอามาเขียนเป็นบทความเพื่อเผยแพร่ เพราะว่าเพื่อจะช่วยใครได้บ้างผมเชื่อว่าคนที่ยังทุกกว่าผมหรือทุกเท่าผมหรือทุกน้อยกว่าผมยังมีอีกมากแล้วก็แก้กรรมกันแบบผิดหูผิดทางเยอะมากเสียเงินฟรีเสียเวลาฟรีไปก็เยอะแต่ผมทําและผมได้ผลเนี่ยใครจะทําตามก็ได้เพราะว่าการทําบุญแก้กรรมในแนวที่ผมทําคือถึงคุณไม่มีเจ้ากรรมนายเวรคุณก็ไม่เสียหายอะไรคุณยิ่งทําก็เหมือนคุณออกกําลังกายการออกกําลังกายยิ่งทํามากก็ยิ่งแข็งแรงถูกไหมครับ ข้อหนึ่งนะครับเลือกวัดที่มีพระปฏิบัติดีส่วนตัวผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็จะไปวัดปฐุมวนารามเพราะท่านจะมีสาขาวัดอีกประมาณ60วัดเวลาถวายอะไรไปปุ๊บเนี่ยถึงวัดนี้ไม่ได้ใช้ท่านก็จะส่งไปที่วัดอื่นซึ่งในบรรดาวัดในสายของท่านเนี่ยจะมีพระดีเยอะมากคนอยู่สระบุรีผมก็แนะนำศูนย์ปฏิบัติธรรมแสงธรรมสองชีวิตคนอยู่อยุธยาผมแนะนาวัดมา ah เหยยงคนอยู่ชนบุรีผมแนะนาหลวงพ่อปราโมท สำหรับคนอยู่เชียงใหม่ผมแนะนาวัดถ้ำผาปล่องนะครับคนอยู่อุดรก็วัดป่าบ้านตากก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายวัดที่แบบหาพระดีๆได้อีกเยอะพระดีเนี่ยดูไม่ยากนะครับคือวัดเนี่ยจะเรียบง่ายไม่ค่อยมีเครื่องใช้อะไรเยอะแยะจะเน้นความเรียบง่ายแล้วเน้นการเจริญสติเป็นหลักก็ขั้นตอนสำหรับการทำบุญแก้กรรมนะครับ 1. เลือกวัดที่มีพระปฏิบัติดีเพื่อถวายชุดบวชพระ เป็นชุดบวชพระนะครับแล้วก็ต้องเป็นชนิดอย่างดีครบชุดด้วยอย่าไปซื้อตามพวกร้านสังกทานที่เป็นเครื่องกิ๊กก อ, อกนะฮะพวกนั้นบางทีผ้าก็ใส่ไม่ได้บาตรก็ใช้ไม่ได้ของจริงจะค่อนข้างแพงนะครับทั้งบาทบาทอย่างดีตามวินยัยเอจีวรอย่างดีเนี่ยชุดหนึ่งจะประมาณ 3- ามสี่พันถ้าจะเอาถูกต้องตามวินัยเลยจะมีจําหน่ายที่วัดธรรมมงคลสุขุมวิทร้อยหนึ่งนะครับหรือว่าสามารถหาซื้อได้ลองถามเขาได้ว่า พาจีวรแต่จริงวรชนิดอย่างดีคือยิ่งถวายของดีอันนี้ส่งก็ยิ่งดีตามไปตามความประนีของของนะครับแล้วก็พร้อมถวายสังฆทานของกินของใช้ที่ต้องเลือกซื้อเองใหม่ทั้งหมดนะครับอาจถวายที่มหาลัยส่งโดยแม่เจาะจงก็ได้ผมแน้นให้ไปถวายที่มหาบกุฏนะครับซึ่งอดีตมีสมเด็จพระญานสังวรเป็นหัวหน้าคณะส่งที่นั่นและผมมั่นใจว่า พระที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมเด็จพระญาณสังวร์ล้วนเป็นพระดีทั้งนั้นแล้วก็ในมหาลัยสงฆ์อย่างมหามากุฏนะครับในจำนวนพระเป็นพันรูปเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีดีสักท่านแน่นอนคือรอประกันได้เลยว่าอย่างน้อยต้องมีแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไปตามวาที่ผมแนะนำนะครับ 2. ติดต่อจองถวายเพลโรงพยาบาลสงฆ์เก้ารูป โรงพยาบาลสงเนี่ยโรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะทําอาหารไปถวาย9้ารูปก็ได้ตอนเช้าบวกค่าทําบุญค่าเลือดค่ายารวมทั้งหมดแล้วโรงพยาบาลสงที่กรุงเทพเนี่ยก็จะแค่ประมาณ500บาทเท่านั้นเองเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่บอกว่าขอจองถวายเพนสงเกรูปวันนี้เวลานี้ซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับ 3. ปล่อยสัตว์กำลังจะถูกฆ่าเช่นปลานในตลาดหรือร่วมไถ่โคกระบือทำบุญเครื่องมือแพทย์สร้างตึกถวายยาพระอาพาธที่โรงพยาบาลวิชา ย, ยุทธจะมีกองทุนส่งอาพาธแล้วก็จะมีพระแวะเวียนมารักษาทุกวันช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยเขาจะมีเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปปิดบัญชีเช่นว่าเราไปถามว่าวันนี้มีพระมารักษากี่รูปแล้วขาดปัจจัยมีคนมาปิดบัญชีไปหรือ ย, ยัง ถ้าอย่างคุณก็สามารถปิดบัญชีรักษาพระองค์นั้นเฉพาะวันนั้นนะครับก็จะทําเป็นเฉพาะวันเช่นวันนี้องค์นี้ 3,000 องค์นี้ 2,000 ก็เลือกเอาเท่าที่เราทําได้แต่ถ้าเรามีเงินเนี่ยเราสามารถปิดยอดทั้งหมดได้ทั้งวันก็จะอย่างความปราบปลืม้มว่าเราได้รักษาพระได้ให้ชีวิตกับพระท่านจริงๆคนเดียวก็จะเป็นอ น, นิสงส์งที่ส่งให้จกรรมในเวรได้ดีมากดีกว่าการปล่อยปลาเป็นแสนกิโลอีกนะฮะ 4. ทำบุญและแต่ศัทธากับมุลนิธิต่างๆเช่นมุลนิธใชัยพัฒนาที่เหมือนเราได้ทำบุญกับในหลวงโดยตรงนะครับถ้าเคยทำแท้งก็ควรจะไปเพิ่มทำกับมูลนิธิเด็กด้วยเลือกมูลนิธิให้หลากหลายเจอตู้ที่ไหนหยอดให้หมดตั้งใจรักษาศีลห้าให้ดีที่สุดสำคัญมากที่สุดนะครับในระหว่างนี้ต้องรักษาศีลห้าให้ดีที่สุดพร้อมสวดมนต์อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง ผมแนะนำบทสวดภาษาไทยเพื่อบรรเทากรรมดูได้ที่โจโ o n e t นะครับแล้วก็ผมก็ทำเป็นหนังสือแจกด้วยแล้วก็หลังจากสวดมนต์แล้วทำสมาธิอย่างน้อยวันละสิบนาทีนะครับแล้วก็จะดีมากถ้าร่วมเผยแพร่ธรรมะที่ถูกต้องในวงกว้างเป็นประจำด้วยการทำบุญข้อ1ถึงข้อ4นะครับทำอย่างน้อย 2-3 ถึงครั้งติดต่อกันทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนและถ้ามีกาลัง ทำให้เป็นประจำไปตลอดชีวิตได้ก็จะยิ่งดีนะครับเพราะจะประกันความสวยของเราได้ดีมากขณะถวายสังฆทานชุดบวชให้บอกพระนะครับว่าเราตั้งใจอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรของเราโดยตรงเท่านั้นไม่แบ่งปันผู้ใดหากรู้ชื่อแน่ชัดหรือตั้งชื่อให้เด็กที่เคยทำแท้งแล้วก็ให้เขียนชื่อและให้ทำบังสุกุลตายส่งให้โดยตรงนะครับบุญทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยทั้งการนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันตลอดเวลา 2- อสเดือนเนี่ย หลังจากทําเสร็จแล้วในบทสวดจะมีการอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรโดยตรงนะครับก็คือพอทําเสร็จทําบุญทั้งหมดเสร็จก็อุทิตให้เจ้ากรรมในเวรอันดับต้นๆที่เกิดทำลายไว้มากที่สุดขอให้แม่รับรับไปเกิดด้วยขอให้อาภัยด้วยอย่างที่บอกไว้แต่แรกนะครับการถวายเพลโรงพยาบาลส่งนะครับให้นําใบเสร็จที่จองมาเผาตรงเวลาพระสวดเช่นเราจองถวายเพลิงตอนสิบเอดโมง พระท่านก็จะมีการสวดอนุโมทนาตอน11โมงนะครับจะไปที่โรงพยาบาลหรือจะเอาใบที่เราจองนะมาเผาที่บ้านก็ได้แล้วก็กรวดน้ำทันทีทุกวันก็ให้พยายามกรวดน้ำนะครับกรวดน้ำเนี่ยในศาสนาพุทธไม่มีมีแต่ในศาสนาพราหมณ์แต่เราก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่ดีของนะครับไม่ต้องยึดถือมากหรอกว่าจะเป็นพุทธเป็นอะไรถ้ามันดีทาไปเถอะผมถามว่าการกรวดน้ามันไม่ดียังไง มันไม่มีในพุทธก็จริงแต่ทําแล้วมันดีไหมระหว่างทําเนี่ยจิตคนน่ยมันอยู่กับน้ําจิตมันนิ่งกระแสจิตมันนิ่งพอมันนิ่งปุ๊บเนี่ยบุญมันก็ไปถึงได้ง่ายแล้วแถมยังมีถ้าเกิดว่าเราไปกรวดกับแต้ต้นโพต้นทรายต้นไม้ที่อายุ5้าปีขึ้นไปจะมีพระแม่ธรณีมีเทวดาที่รักษาต้นไม้เนี่ยท่านเป็นพยานรับรู้และส่งต่อให้ได้ด้วยนะครับใบไม้นอกกํามือแต่มันมีประโยชน์บางรัดที่บางแห่งเนี่ย ต่อต้านหรือเกิดเรื่องการกรวดน้ําผมก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งดีๆจะไปต่อต้านทําไมทําแล้วมันดีก็ทําทําไปเถอะครับการทําบุญทั้งหมดเนี่ยเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับให้กรวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรแบบเจาะจงคนเดียวหรือแบบไล่ลำดับลงมาเอ่ยปากหรืออธิษฐานว่าไม่แบ่งปันผู้ใดขอให้เจ้ากรรมในอันดับต้นๆได้รับก่อนเท่านั้นซึ่งบทสวดมนต์พิเศษจะมีการอธิษฐานจิตขอขมากรรมและอุทิศบุญแบบเจาะจงให้แล้ว ต้องทําสมาธิและสวดมนต์ติดต่อกันห้ามเว้นแม้แต่วันเดียวเป็นเวลาสมเดือน 2-3 เดือนนะครับถ้าหยุดวันไหนให้เริ่มนับหนึ่งใหม่ครบกําหนดแล้วควรสวดต่อไปตลอดชีวิตถ้าจําเป็นต้องหยุดก็หยุดติดต่อกันได้ไม่เกิน3วันการสวดในที่นี้นะครับถ้าไม่มีเวลาจริงๆแค่เอามาอ่านในใจก็ได้นะครับผลคือผลทางใจไม่จําเป็นต้องออกปากก็ได้แต่การออกปากสวดได้มันก็จะยิ่งมีอา น, นิสงส์มากขึ้น บุญเหมือนอาหารที่เราขาดไม่ได้นะครับต้องกินทุกวันไม่อยากเจอเรื่องเฮงซวยถาโถมก็ต้องเติมพลังบุญทุกวันให้มากที่สุดการทำบุญถูกทางทำให้ชีวิตดีขึ้นรับประกันเห็นผลทันตาชาตินี้แน่นอนหลักของพุทธศาสนาคือดวงจะดีเพราะทำความดีเท่านั้นย้ำว่าการสวดมนต์เนี่ยถ้าขาดสวดไปไม่ได้ทาให้เกิดความเสียหายนะครับแต่เหมือนกับการออกกาลังกายนั่นแหละ คุณทำทุกวันคุณก็แข็งแรงคุณหยุดร่างกายคุณก็อ่อนแอไม่มีใครมาทำร้ายคุณหรอกนะก็มีหลายคนที่ทำตามวิธีของผมเนี่ยแล้วก็เอาบทสวดไปสวดแล้วก็ขี้เกียจหยุดสวดไปปรากฏว่าของหายบ้างไอนน้นู่นนั้นนั่นไอ้นี่เจอเรื่องสวยบ้างแล้วก็กลับมาต่อว่าคุณโจโฉเนี่ยพี่เอาไปสวดแล้วพอหยุดสวดแล้วทำไมมันชีวิตมันบาดซบลงอา้าวผมก็บอกแล้วไงว่าบทสวดมันเหมือนการกินอาหาร เวลาคุณไม่กินอาหารคุณป่วยไหมคุณก็ป่วยเราก็บอกแต่แรกแล้วว่าการอธิษฐานแก้กรรมคุณอธิษฐานจิตแล้วว่าคุณจะทำความดีให้เขาเพื่อลดบรรท่ากรรมแล้วพอคุณสัญญาเขาแล้วแล้วคุณไม่ทำแล้วเรื่องสวยๆก็เข้ามาหาคุณคุณก็ทำตัวเองส่วนมน์ทุกวันมันยากตรงไหนผมถามจริง